ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ว่ามันจะเกิดผลดีได้เนี่ยก็ต่เมื่อเรารู้จักใช้ถ้าเรามาใช้กับตัวเองถูกที่ถูกเวลาหรือว่า ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของธรรมอย่างเรียกว่าสมควรแก่ธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้กับคนอื่นแม้จะเป็นคำแนะนำที่ปรารถนาดีแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกคน หรือไม่ถูกสถานการณ์นี่ก็าอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือบางทีอาจจะเกิดโทษก็ได้ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังอย่างเช่นเวลาเราจะแนะนำเนี่ยคนป่วยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ป่วยหนักหลายคนเนี่ยล ด, ดไม่ได้ที่จะแนะนำนะเ่าให้สู้ๆแต่ว่า คำแนะนำสั้นๆแบบนี้เนี่ยแม้มันจะเกิดจากความปรารถนาดีแต่ว่าคนฟังนี่อาจจจรู้สึกไม่พอใจก็ได้เพราะเหมือนกับว่าเขายังสู้ไม่พอมันมีในยะเป็นคำตำหนิบางคนก็อยากถือในใจว่าเนี่ยฉันก็สู้อยู่แล้วเนี่ยทำไมมาพูดว่าฉันยังสู้ไม่พอ คำว่าสู้เนี่ยถ้ามันมาใช้กับตัวเองีดีนะเวลาเราเวลาที่เราท้อแท้ทอ้อถอยถ้าเราบอกกับตัวเองว่าสู้ๆอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์แต่พอเราไปใช้กับคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีเนี่ยมันแทนที่เขาจะ เกิดกำลังใจก็าจะเกิดความไม่พอใจเหมือนกับว่าถูกตำหนิเหมือนกับว่าเขายัางสู้ไม่พอหรือบางทีก็แนะนำเขาว่าเนี่ยเข้มแข็งนะจำใจเข้มแข็งนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ปรารถนาดี นี่มันก็เป็นธรรมะง่ายๆแล้วคนที่กำลังเจ็บปวอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกอ่อนแอทั้งกายและใจพอไปแนะนำอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดความไม่พอใจเนี่ยเพราะมันเหมือนกับว่าไปตำหนิว่าเขายังเข้มแข็งไม่พอบางคนก็หยุนึกในใจว่ามึงลองมาเป็นกูดิ จะรู้ว่าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะนี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเนี่ย mm. ก็มีเพื่อนมาแนะนำมาพูดเนี่ยสู้ๆเข้มแข็งนะเธอแทนที่จะยิ้มแทนที่จะเกิดกำลังใจกับรู้สึกแย่ เธอพูดกับเพื่อนๆ่วันนี้เธอรู้ไหมเนี่ยฉันต้องใช้พลังงานอย่างมากนะในการทำให้ตัวเองเข้มแข็งและทำความสบายใจให้กับคนที่มาเยี่ยมสิ่งเหล่านี้เนลึกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่กัดกร่อนทั้งในเหลือเกินคือยิ่งได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกแย่อืมรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้น แต่ก็ยังดีกับที่บางคนครารู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธที่มาแนะนำในเชิงตำหนิแบบนั้นที่จริงคนแนะนำไม่ได้ตำหนินะแต่ว่าคนฟังเขารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขากำลังเจ็บป่วยเขากำลังมีความทุกข์เช่นเดียวกันนะพอเวลาไปแนะนำเขาให้ให้ปล่อยวางปล่อยวาง ไม่ว่าเขาจะกำลังทุกข์เพราะเจ็บป่วยหรือว่าทุกข์เพราะสูญเสียทรัพย์สินคนรักหลายคนก็ไม่พอใจเดยเพราะคนที่อาจจะพอสนใจธรรมะอยู่บ้างเพราะรู้สึกว่าเนี่ย มันไม่ใช่ง่ายเลยนะมันเมือนก็บตำหนิว่าเนี่ยฉันยังยึดติดถือมั่นอยู่หรือบางคนจะบอกว่าเนี่ยมันปล่อยวางได้ง่ายที่ไหนนะในเรื่องแบบนี้<ม>เงินเป็นล้านหรือว่าลูกทั้งคนหรือว่าพ่อแม่ทั้งคนเนี่ยไปยวางได้ยังไง กานที่จะทำให้เขาปล่อยวางมากขึ้นเขากับยึดติดนะยึดติดในอารมณ์โกรธหรือว่าหงุดหงิดไม่พอใจแนะนำคนที่สูญเสียคนรักเอออะไรแล้วก็ไม่เที่ยงคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันไม่เป็นไรที่จีรังยั่งยืนเนคำแนะนำแบบนี้เนี่ยถ้ามาใช้กับตัวเองนะ มันมีประโยชน์มากเลยมันช่วยเตือนให้เราปล่อยวางแต่พอนำไปใช้กับคนอื่นแนะนำด้วยความปรารถนาดีหรือบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปตามๆเขาให้แบบนี้นี่มันก็ อาจจะเกิดผลเสียได้เพราะมันเหมือนกับมีน้ำเสียงการตำหนิอย่างยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันแสดงว่ายังไม่เข้าใจนะความทุกข์ที่มันท่วมท้นเขาหรือว่าอาจะเถียงว่าเนี่ยลองมาเจอเองเดินย จะรู้ว่าเนี่ยมันปล่อยวางได้ยากมันเกิดกระแสเนี่ยตอบโต้ตีกับทั้งที่สิ่งที่เราแนะนำไปมันก็เป็นธรรมะที่ดีทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเรามาใช้กับตัวเองเนี่ยโมันประเสริฐมากเลยสู้ๆนะเข้มแข็งนะอันนี้ ให้กำลังใจตัวเองเวลาท้อหรือเราเรากำลังโปรธเรากำลังเศร้าสศกเสียใจนะเออปล่อยวางมั้งสินะอันนี้มันมีประโยชน์เวลาเอามาใช้กับตัวเองแต่พอไปใช้กับคนอื่นอยากจะแนะนําเขาเพื่อเขาจะได้คลายจากทุกข์หรือบางทีก็เพียงแต่พูดไปเพราะไม่รู้จะพูดอะไรดี มันก็กลับกลายเป็นโทษเพราะธรรมดาคนที่เขามีความทุกข์เนี่ยไม่ว่าเจ็บป่วยหรือสูญเสียใจเขาไม่ใช่ว่าจะเปิดรับธรรมะได้ง่ายๆหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้อย่างท่องแท้อย่าว่าแต่เราเลยนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเจอคนทุกข์บางคนนี่ พระองค์ก็ไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำธรรมะนะเลยทีเดียวนะอย่างน้อยก็ไม่ได้แนะนำในในตอนแรกๆอย่างเช่นนางกีสาวกตมีเนี่ยนะเสียลูกที่กำลังน่ารักตายกระทันหันเธอทำใจไม่ได้ที่ลูกตายยอมรับไม่ได้ ว่าลูกฉันตายแล้วนะอุ้มศพลูกทังที่ลูกก็ตายไปเป็นวันละอุ้มเผื่อไปให้ใครต่อใครช่วยฟื้นปลุกให้ลูกตื่นขึ้นมาใครๆก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางก็ยังไม่ยอมรับตรงนั้นมีคนบอกว่าเนี่ยไปหาพระพเจ้าเถอะเจ้านี่ช่วยเธอได้ นางเองเนี่ยนะอาจจะไม่เคยไปหาพระพุทธเจ้าเลยร้อยวันพันปีก็ไม่เคยที่จะคิดไปเชตวันแต่คราวนี้เนี่ยนะต้องไปแล้วไปเพราะหวังว่าพระพุทธเจ้านี่จะช่วยฟื้นชีวิตของลูกนางได้พอไปถึงเชตวันพระพุทธเจ้า ทีใจแต่พระพุทธองค์เนี่ยนะพอเห็นสภาพอาการของนางเนี่ยที่อุ้มศบลูกเนี่ยพงศ์ก็รู้ว่าสอนธรรมะไปบอกให้เธอปล่อยวางบอกให้เธอตระหนักถึงความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย พงกรูลัวเนี่ยนางเนี่ยไม่รับฟังเด็ดขาดเพราะหัวใจเนี่ยมันท่วมทนไปด้วยความเศร้าแล้วก็ไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องแบบนี้ใจมันปิดะนพงก็เลยตัดว่าเนี่ยเราช่วยเธอได้เธอเธอไปหาเม็ดประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้ว่านางดีใจนกลับไป สาวัตถีไปหาใครต่อใครว่ามีไม่ผักกาดไหมทุกคนก็มีกันทั้งนั้นแหละแต่พอถามว่ามีคนตายไหมบ้านเนี่ยมีคนตายทั้งนั้นแหละทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนางก็เริ่มที่จะยอมรับความจริงว่าเนี่ยความตายนี่มันเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เธอทุกคนเดียวคนหนึ่งเขาก็ทุกสูญเสียเหมือนกัน ถึงตอนนี้นะใจก็เริ่มเปิดแล้วยอมรับความตายของลูกได้เอาลูกเอาศพลูกไปฝังเสร็จ แ, แล้วก็จึงกลับมาฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงตอนนี้แล้วนะพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้เห็นถึงความเป็นอนิจจันะของชีวิตเช่นเนี่ยมจุราชเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกและทรัพย์ เช่นน้ำป่าที่พัดพาคนที่หลับไหลไปฉะนนั้นพอได้ฟังธรรมะสั้นๆตอนเนียนนางก็ได้สติแล้วก็เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมเลยกลายเป็นพระโสดาบันเล ย, ยทำไมทีแรกในพุเจาที่ไม่แสดงธรรมให้นางกิสาโคตมีแต่กลับพูดให้นางเนี่ยไปหาไม่ประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตาย เพราะพระงค์รู้ว่าเนี่ยคนที่กำลังเศร้าโศกอย่างนางเนี่ยสอนธรรมะไปก็คงไม่มีประโยชน์เพราะใจไม่เปิดรับนี่ขณะพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะนำธรรมะนี่มาช่วยคนที่กำลังทุกข์เนี่ยในทุกสถานการณ์พระองค์ก็ดูว่าใครบางใคร ในเวลานั้นเขาพร้อมจะรับเปิดใจรับธรรมะได้หรือไม่ถ้าเขาไม่เปิดใจรับธรรมะพูดไปเนี่ยนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วบางทีก็เกิดโทษอาจจะปฏิเสธไปเลยนะปฏิเสธธรรมะไปเลยอันนี้ก็เป็นกุฏาหารสอนใจนะว่าเนี่ยเวลาเราจะช่วยใครเนี่ย ก็ต้องดูด้วยว่าเขาพร้อมนะที่จะฟังคำแนะนำหรือว่าเปิดใจฟังธรรมะไหมถ้ยเรารู้ธรรมะเราเห็นคุณค่าของธรรมะแต่ว่าถ้าเราคิดแต่จะสอนคนด้วยธรรมะหรือช่วยเขาด้วยธรรมะอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบอย่างอื่นมันก็อาจจะเกิดโทษ เแต่ธรรมะขั้นสูงเช่อเรื่องการปล่อยวางง่ายคิดง่ายง่ายที่มันน่าจะช่วยเตือนสติคนได้บางทีเขาก็รับฟังได้ลำบากอย่างเช่นคนที่กำลังหัวเสียกำลังทุกเนี่ยเพราะว่า เงินไม่กี่สิบบาทหายเนี่ยหงุดหงิดหัวเสียหรือบางคนอาจจะปวดนะปวดฟันมากเลยเป็นทุกข์มากเราก็แนะนำเขาหน่อยคนที่เขาทุกข์กว่าเธอนี่มีอีกเยอะนะหรือว่าลองนึถึงคนที่เขาลำบากกว่าเธอสิ หรือบางทีพูดไปถึงว่าเนี่ยโชคดีนะที่เธอเจอแค่นี้นะทางที่มันจะช่วยเขาเนะี่ยมันก็ทาให้เขาเนี่ยโกรธมากขึ้นเพราะคนธรรมดาเวลาทุกเนี่ยนะเขาก็จะรสึกวความทุวง์เขายิ่งใหญ่มากยิ่งไปบอกว่าเนี่ยมีคนที่ทุกมากกว่าเธอนะไอ้ที่เธอทุกเนี่มันจิจ๊บจอยนะโอ้เขาโกรธเลยมันก็ไปตําหนิเขา หาว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องแค่นี้ก็ยังมาส ำ, สำออยไปได้นะกับตีความไปอย่างนั้นอันนี้เพราะใจเขายังไม่พร้อมที่จะฟังหรือเปิดรับโดยเพราะคำที่เหมือนกับตำหนิว่าเนี่ยเขายังวางใจไม่ดีพอไอ้คำแนะนำาอันนี้มาใช้กระตัวนี่ดีนะ เวลาเราทุกเนี่ยเตือนใจแล้วว่าเนี่ยคนหนึ่งที่เขาทุกข์กับเรานี่มีอีกเยอะเลยเนีเราอยัางโชคดีนะที่เจอแค่นี้มาแช่กับตัวเองนี่มีประโยชน์มากมันช่วยทําให้ได้คิดมันช่วยทําให้เกิดความรู้สึเออเรายัางโชคดีนะที่เราเจอแค่นี้แต่พอเราไปแนะนําคนอื่นแบบนี้นี่ มันเกิดผลตรงกันข้ามนะธรรมะเนี่ยนะมันมีประโยชน์มากถ้าเรามาใช้กับตัวเองมาใช้สอนตัวเองแต่คนจะนวนไม่น้อยเนี่ยนะคิดแต่จะธรรมะไปสอนคนอื่นแล้วก็อย่างพร่ำเพื่อโดยที่ไม่ได้พิจรารณา ให้ถี่ท่วนหรือไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างเพียงพอถ้าพยายามเข้าใจคนที่เขากําลังทุกข์เขากําลังเจ็บปวดไม่ว่โาโดยโรคภัยแค่เจ็บหรือพราสูญเสียเนี่ยบางทีพอเราเข้าใจเริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้สึก ข, ของเขาเนี่ยเราก็จะพบว่าเออเขายัางไม่พร้อมนะที่จะได้ฟังธรรมะ หรือคําแนะนําอย่างที่เราอยากจะพูดและจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยในยามที่เราทุกข์ในยามที่เราเจ็บปวดในยามที่เราสูญเสียเนี่ยมาถามตัวเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่พร้อมที่จะฟังนะเดี๋ยวพรจะเป็นคําแนะนําจากเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เอามาใช้เตือนตัวเอง ดูเสมอในยามที่เรายังไม่ทุกในยามที่เรายังมีความปกติสุขเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองอในยามที่เรายังไม่เจอความทุกข์ไม่เจอความสูญเสียหรือว่าไม่ได้ประสบกับสิ่งที่มันเป็นความเสียหายร้ายแรงเราเปิดใจ เราศึกษาเราฟังทำอยู่เรื่อยๆมันจะค่อยๆเตรียมใจของเราให้พร้อมอถึงเวลาที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเกิดความสูญเสียขึ้นมาเราเกิดความพัดพลาดขึ้นมาไอความไอธรรมะที่เราได้ได้ฟังมาเนี่ยมันจะ ช่วยเตือนสติให้เราเนี่ยตั้งหลักได้มีความเข้มแข็งหรือว่าเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเลยนะแล้วพอเจอความทุกข์แล้วก็มีคนมาแนะนำเราแบบนี้บางทีเราก็ไม่พอใจเหมือนกันนะ หรือบางทีเราก็สึกว่าเนี่ยเรากำลังถูกตำหนิหรือว่ายัางพยายามไม่พอนั่นจะดีนะถ้าเกิดว่าเราได้ซึมซับรับรู้ธรรมะในขณะที่เรายังสุขสบายดียังมีกำลังวังชายังไม่มีอะไรมากระทบทำให้เกิด นะความเจ็บปวดหรือความสูญเสียถ้าพอเราได้ฟังได้ปฏิบัติได้เตือนตนอยู่เสมอเสมอพอถึงเวลาที่มันเจอเหตุร้ายนี่มันจะได้สตินะเร็วเพราะว่ามีธรรมะนี่มาช่วยเตือนแล้วพอเราตั้งสติได้นะบงทีความทุกข์นั่นแหละนะที่มันจะกลายเป็นคุณ คนที่เขาไม่ได้สติเนี่ยพอเจอทุกเนี่ยมันฉุดใจให้เขาย่ำแย่ลงแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งสติได้เราลึกถึงคำสอนที่เคยได้เรียนรูม้มาจากครูบาอาจารย์เราก็สามารถที่จะรับมือความทุกข์ได้หรือใช้ทุกนั้นให้เกิดประโยชน์เพราะว่าทุกเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักมันนี่มัน มันทำให้เกิดปัญญานีแต่คนเราเนี่ยพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักทุกข์หรอกเดีว่าแต่รู้จักเลยเห็นทุกข์ก็ยังไม่เห็นมันเข้าไปเป็นเลยทุกข์เนี่ยถ้าเป็นทุกข์นะแย่มันจุดใจให้ตกต่ำเสียสูญแต่ทุกข์นี่ถ้าเรารู้จักมันเห็นมันเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยเพราะมันจะทำให้เราเห็นเหตุแห่งทุกข์ ที่จริงแม้จะไม่ทันเห็นเหตุทุกข์เลยนะเพียงแค่เห็นทุกข์เนี่ยมันก็ชพื่อทำให้ใจเนี่ยรู้จักความทุกข์ได้เห็นความโกรธมันก็วางความโกรธลงได้เห็นใจที่มันบน่นวุ่นวายตีโพยตีพายมันก็ทําให้เสียงบนมันสงบลงได้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นทุกข์รู้จักทุกข์แม้จะไม่ได้ถึงขั้นเห็นสมุทยัย หรือแห่งถูกต่อแต่ต่อไปก็จะเห็นแลวว่ามันเป็นพ่อเราเข้าไปยึดมันเข้าไปยึดความโกรธจึงเป็นผู้โกรธเข้าไปยึดความปวดจึงเป็นผู้ปวดไอตัวที่ยึดเนี่ยนั่นก็คืออุปท า, านแล้วพอยึดแล้วเนี่ยมันก็มีความสำคัญบ้านหมายเป็นกูเป็นของกูกูปวดกูโกรธแล้วก็จะรู้เลยนะว่าอ๋อ ถ้าวางมันลงได้นะไม่ยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็จะหมดทุกข์หรือมันก็จะห่างจากทุกขนะ์นนี้ธรรมะมันสอนเราและธรรมะที่เราได้เรียนได้ซึมซับรับมาขณะที่เรายังสุขสบายดีอยู่เนะี่ยมันช่วยทำให้เรารับมือกับความทุกข์ได้ดีขึ้นม่ให้สอนตัวเองได้ทำให้ดึงจิตออกจากทุกข์หรือว่าทำให้สามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมะ นะให้เกิดคุณประโยชน์ขึ้นมาได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่เคยได้ฟังธรรมะมาก่อนหรือไม่เคยได้ซึมซับรับเอาธรรมะมาไว้ในใจหรือได้ฝึกได้สอนได้ททักท้วงตัวเองเนี่ยพอเจอทุกข์เข้าเนี่ยแล้วก็พอมีใครมาบอกมาสอนมาแนะนำเนี่ยบางทีมันไม่เข้าหัวเลยใจไม่เปิดรับหรือบางทีเกิดโทษด้วย แต่พูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปแนะนำทำมาให้กับใครไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่าเขาเปิดใจรับไหมหรือว่าเขามีศรัทธาในตัวเราเพียงใดเจ้าเกิดเขามีความสมัครใจอยากจะฟังเขาก็เปิดรับได้ง่ายหรือถ้าเกิดเขามีศรัทธาอยู่แล้วสิ่งที่แนะนำไปมันก็เป็นประโยชน์แม้ว่าเขากำลังมีความทุกข์มากหรือเกิน อย่างพระติสระเนี่ยนะซึ่งป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจ ร, ราะว่าแผลผู้พองเต็มตัวเวลาฝีแต่ก็ส่งกลิ่นเหม็นจนกระทั่งเพื่อนาพาด้วยกันเนละทิ้งไม่พยาบาลเลยปล่อยให้ท่านจมอยู่กับกองปัสสวะอุจจาระแต่พระเจ้านี้พอทราบนี่พระองค์ก็เสด็จมาพระเสด็จมานี่ก็ไม่ได้ แสดงธรรมให้กับพระติสสะฟังทันทีนะทั้งที่พระติสสะนี่ทุกขังกายทุกขังใจโดยพอเมื่อทุกขเวทนาการรมเลิบจนกระทั่งใกล้จะตายพระองค์ก็กลับทำความสะอาดเช็ดเนื้อเช็ดตัวพระติสสะอย่างดีเลยทำให้รู้สึกเริ่มสบายตัวสบายใจเอาจีวรของพระติสสะนี่ไปซักไปต้ม ปฏิสาก็เริ่มดูสบายเนื้อสบายตัวแต่ทุกขเวทนาก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตพูะเจ้าก็ตัดเป็นภาษิตนะให้ปฏิสาตได้ฟังว่าเนี่ยสังขารร่างกายนี่มันตั้งอยู่ได้ไม่นานเมื่อปราศจากวิจญาณ และถูกคนทิ้งมันก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนฟืนและท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นที่มาของคาถาบางสุกุลเป็นนะที่เริ่มต้นได้ว่าอจิลังวตัตยังกายโยเนี่ยผู้จะแสดงธรรมเนี่ยสั้นๆเนี่ยปฏิสาเนี่ยซึ่งแม้ว่าจะมีทุกขเวทนาบีบคั้ น, นแต่ว่าพอได้พิจรารณา ธรรมะของพูะเจ้าก็เห็นโทษของสังขารร่างกายเนี่ยว่ามันไม่น่ายึดถือปล่อยเลยนะปล่อยเลยแล้วก็ไม่ปล่อยแค่สังขารหรือรูปภัณฑ์นนะปล่อยทุกอย่างเลยจิตก็หลุดพน้นจากอาสวะเป็นพระอรหันต์เลยนะเรียกว่าดับกิเลสพร้อมๆกับที่สิ้นลมปฏิสานเนี่ยเจ็บปวดทุกขรมาแต่ว่าเปิดใจฟังธรรมมาจากพพุทธเจ้าเพราะอะไร พหนึ่งศรัทธานะแล้วก็สองเนี่ยก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นจากการที่พระเจ้าเนี่ยมาทำความสาดเช่นเนื้อเช่นตัวให้ถ้าพรงนี่มาแสดงธรรมทันทีนะแม้ว่าจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยังไงเนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะกับพัตติสะแต่พวกนี้เลือกที่จะมาแสดงธรรมนตอนที่ได้ดูแล เช่นเลยเช่นตัวปฏิสั่งแล้วอีกส่วนนึงก็คงไม่เพาะปฏิสัยเนี่ยก็มีศรัทธาในพระเจ้างั้นธรรมดาเนี่ยพุะเจ้าตรัสอะไรก็ฟังอยู่แล้วแม้ในขณะที่กําลังปวดกําลังทุกข์ทรมานอยู่แต่ก็ธรรมดาคนเรานะถ้าอย่างปวดทุกข์ทรมานเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเปิดใจฟังจนเกิดจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างมาช่วยจนมีศรัทธา หรือเริ่มรู้สึกสบายเน้สบายตัวมากขึ้นใจมันก็เปิดรับพอเปิดรับเขาเ้านีปัญญาก็เกิดเลยก็สามารถที่จะพิจารณาทุกที่เกิดกสังขารร่างกายและทุกนั้นก็กลายเป็นธรรมอย่างที่พระเจ้าอย่าที่หลวงพ่อคำเขียนพูดนะเห็นทุกก็พ้นทุกปฏิส า, าน้เห็นทุกที่เกิดขึ้นกับสังขารร่างกา ย, ยาตัวเองแจ่มแจ้ ง, จ, งจากการนำทางของพระเจ้าเนี่ย พอเห็นนี่ก็พ้นทุกข์เลยเพราะรู้ว่าอะไรแล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นยึดถือไม่ได้อันนี้แหละนะมมาการทำบ้านี่มันจะมีประโยชน์เนี่ยเมื่อผู้ที่ทุกข์เนี่ยนะก็เปิดใจเพราะศรัทธาหรือเพราะว่าเขาเริ่มนะรู้สึกที่จ ะ, ะสบายผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานะควรจะนำมาเป็นอุทานสอนใจ เวลาเราอยากจะช่วยแนะนำคนอื่นจะดีถ้าเกิดว่าเราเอาธรรมะนี้มาแนะนำใช้กับตัวเองก่อนเป็นเบื้องตนอ้นอ้าวชาเนียพธิ์ธรรมนินระับครับ